สถาปัตย์แล้วก็กลุ่มสถาปัตย์ให้จะเป็นผู้ออกแบบถวายเจดีย์สร้างเจดีย์ถวายองค์หลวงตาเป็นผู้ออกแบบคราวนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงน้ําท่วมก็จะมาไปชุมกันครั้งหนึ่งแล้วแหละแต่ก็น้ําท่วมมาไม่ได้แต่คราวนี้มาอีกกรเล่นัดคณะสงฆ์ที่เป็นสิทธิานุสิทธิขององค์หลวงตา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 ก็ไม่ น, าน่ามีปัญหาเพราะหลวงตาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกมาต้องมากต่อมากสิทธยาศิษฐ์ทั้งหลายก็พร้อมที่จะทุ่มเทแต่ก็สิทธยาศิษย์ขององค์หลวงตามีมากนานาจิตตังนานาทัศนะเนี่ยคำว่านานาจิตตังนานาทัศนะคำนี้แหละก่อนที่จะเอาจิตตังทัศนะเนี่ยมารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว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 เพราะต่างคนก็ต่างเจตนานดีด้วยกันทั้งนั้นใครใครก็อยากจะให้ดีเดี๋ยวว่าดีต่อดีนี่ยนะต้องมารวมกันไม่เชว่าดีไปคนละทิศ ด, ดีไปคนละทางดีหันหลังให้กันเดินก้าวไปคนละทีศละทางกันอันนี้ว่าดีแตกกันแหดีแตกถ้าดีรวมก็ต้องเข้ามาหันหน้าคว้าหากันปรึกษาปารบรกัน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 เคยฉันอารหาันต์จับหยบจับมาบังคับให้มาฉันตอนเช้าถึงเที่ยงนี่แหละพระสงฆ์บางกลุ่มก็แอนตี้พระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าไม่อยอมพระพุทธองค์บัญญัติวินัยละต้องเป็นอย่างนี้ถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่อยู่ในหลักของเราหนีอันนั้นคือคือต้นาศาสนาต้นาศาสนาถ้าเราได้ศึกษาในพระวินัยของพระพุทธเจ้าจุดนี้ลราโหยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดา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 ท่านเป็นผู้บริสุทธิญญ์บัญญัติฟีไนบัญญัติศินบัญญัติกฎระเบียบปกครองสงฆ์แต่มาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายคนบัญญัติกฏกติกาอย่างนี้อีกเหมือนกันนั่นแหละแต่ถึงยังไงก็ให้ยึดหลักเหตุผลคือความถูกต้องถูกต้องคืออันดับแรกก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรา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 คนของเขา่งมันพิษมันเป็นถูกต้องไม่เป็นธรรมไหมอันนี้ก็คือต้องเอาหลักธรรมมายึดอีกทีหนึ่งทมนั่นคืออะไรคือยุคสมัยก่อนตั้งแต่ดึกํำบันมาแล้วรนมะนั่นก็คือศีลห้าเนะี่ยเอามาเป็นมาตรฐานยกขึ้นมาเป็นกระจกเงาเลยนะถ้าว่าผู้ใดก็ตามถ้าทาไปผิดศีลห้าแล้วแนะปลว่าคนนั้นแปลว่าเดินผิดทางแล้ว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 คนอื่นเลยเห็นก็ทําือเอเราก็ทําเราก็ชอบอย่างนี้ว่ะเผลที่สุดก็เลยหยวนกันอีกเนี่ยก็เลยไปใหญ่เลยแต่นะเนี่อหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่รู้ทำไงเดือดร้อนไปคนที่เกี่ยวข้องใช่มันถูกใจเราก็ใจสองคนแต่คนอื่นน่ะมันเดือดร้อนพอเพราะอะไรมันผิดศีลธรรมเลยทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลยสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องแยกแยะให้ออกอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านนะเพราะนั้นขอให้ พวกเราพุทธศาส น, นิกชนใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเ น, นี่ยมาเป็นกระจกเงาวิธีเดินวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำถ้าพวกเราคิดพูดทําในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาแล้วตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความร่มเย็นผาสุขจเจริญรุ่รงเรืองแต่วันนี้เห็น ท่านพอออกเขตสี่พาคณะมาทำบุญหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจและอีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็ได้ยินว่าเขตสี่ของเราเนี่ยถ้าการศึกษ า, วารวมภาพรวมเนยภาพรวมแห่งการศึกษาแปลว่าเก่งเก่งกว่าภาคเก่งกว่าเขตอื่นเพราะในจังหวัดอุดรมีสี่เขตใช่ั้ย พวกเราอยู่ในเขตป่าดงพงไผ่อำเภอนาะจูน้ําสมกุฎจับบ้านผือสี่อำเภอเนะี่ยยังเอาชนะอยู่ในเมืองเขาได้หลวงพ่อหลวงพ่อเองเป็นพระที่เป็นกลวงหูหลว ง, งตาอยู่กับพวกลูกหลานเนะี่ยครับภาคภูมิใจด้วยเหมือนกันนะเอแสดงว่าครูบาอาจารย์ในถิ่นของเราเนะี่ยใส่ใจในการสอนลูกหลานครูบาอาจารย์ในสําคัญนะ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 ขาหักแขนหักคอหักเอวหักไฟไหม้อยู่นอนอยู่นั่นแหละและ้วจะหนีไปยังไงแมมันก็ต้องเอาใสาเตียงวิ่งออกมาตามสะพานมาถึงตึกอีกหลังหนึ่งเพื่อหนีไฟนี่แหละหลวงพ่อคิดคิดถึงขนาดนั้นคิดเพื่อลูกเพื่อลานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อก็คิดสร้างตึกหนีไฟหลังนั้นแต่สร้างตึกหนีไฟแล้วท่านนี่เมื่อไรไฟจะไหม้เถอะเนี่ย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 หลวงพ่อช่วยทั้งสองอย่างเท่าเท่าเทียมกันทั้งสาธนาสูกด้วยทั้งการศึกษาด้วยพอเห็นว่าเป็นประโยชน์มีประโยชน์ทั้งคู่ทั้งสองอย่างนี้ในความรู้สึกของหลวงพ่อนะ่อันนี้ก็หลวงพ่อในด้พูดนะอะก็พร้อมกันก็เนี่ยทั้งสาสนาหลวงพ่อเขาไมกได้ปล่อยปลาแลวเลยไม่ได้ทิ้งเหมือนกันแนะนำสั่งสอนเอ็มพีสามหลวงพ่อก็ออกไปเท่าไหร่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 อ่ตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร